ถ้าบอกว่าทำเหล่าใดมีเหตุเป็นแดนเกิดก็ทุกข์กระส์ใช่ไหมพระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสถึงเหตุที่ทําให้เกิดธรรมนั้นอันนั้นเป็นสมุทัยสัตว์และแสดงความดับเหตุแห่งธรรมนั้นไอตัวความดับนั้นก็เป็นนิโรธสัจจะถามว่าถ้าท่านไม่ไม่กำหนดรู้ทุกขละสมุทัยไม่ทํานิโรธให้แจ้งด้วยการอบรมอริยมรรคเนี่ยท่านจะบรรลุอริยสัจได้อย่างไรเพราะฉะนั้นก็เท่ากับแสดง ม <as> Gabriel, so picture, so White, ักษาบแล้วนี่ยมก็ภาษารีบท่านก็บรรลุก็บรุอริยสัพเพใช่ไหมแล้วตรัสรู้ไตยยเป็นพันในตรัสรู้เป็นพันในแล้วท่านบอกว่าท่านแสวงหาบทอันนี้เนี่ยเพราะไม่พบบทอันนี้เนี่ยล่วงเลยมาหลายหมื่นกับเนี่ยนะตายเกิดตายเกิดเพื่อจะหาบทอันไม่ตายอันนี้แหละบทที่ดับเหตุแห่งทุกข์เรานี้นะของเราเมื่อไหร่นะจะกระยิมเมื่อไหร่จะได้แทงตลอดบทอันนั้นเนี่ยนะบทอันดับทุกเนี่ยนะบทสอะไรนะ สันติวรบดใช่ไหมดูก่อนท่านผู้แสวงหาสันติวรบดก็คือดูก่อนท่านผู้แสวงหานิพานนะของเรานี่ขณะไหนบางที่แสวงหานิพานข ณ, นะขณะที่เจริญมักนะนีขณะที่เจริญมัชนะขณะนั้นแสวงหานิพานขณะที่ไม่เจริญมัชนะขณะนั้นยังไม่อยากตายนิพานนั่นะนะถ้า เมื่อใดที่สแสวงหามรรคนะหรือกะละที่เจริญอริยมรรคอยู่ขณะนั้นสแสวงหานิพพานนะถ้าไม่เจริญมรรคผู้การบอกว่าสแสวงหาความแก่สแสวงหาและแต่จะใช้คำอ่ะนะแต่สภาวะมันเหมือนกัน น, ะ <S <S นั่นแหละในพระไตรปิฎกนะทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่าถ้ากล่าวอย่างหนึ่งอันที่เหลือก็ชื่อว่ากล่าวแล้วเช่นถ้ากล่าวอากุศลอันใดอันหนึ่งนะอกุศลทั้งมวลก็ชื่อว่ากล่าวแล้ว นนะถ้ากล่าวกุศลกุศลทุกชนิดก็ชื่อว่ากล่าวแล้วนนะถ้ากล่าวรูปแม้แต่รูปใดรูปหนึ่งขึ้นมารูปที่เหลือก็ชื่อว่ากล่าวแล้วนันั้นการศึกษาพระธรรมก็ขอให้ทาความเข้าใจตามนี้เพราะไม่งั้นน ะ, ะบางท่านจะตำหนิพุทธพจน์นนะพุทธพจน์แสดงไม่สมบูรณ์แสดงไม่ดีแสดงแล้วทำให้เราเข้าใจผิด ในที่สุดเราก็ไปแบ่งบาปมาเรื่อยพระองค์ก็ตรัสไว้ดีแล้วนะเราก็อดไม่ได้นะก็สั่งวอลให้ดีๆนะคืออย่างในพาหิยะสูตรเนี่ยนะถ้าเราเท่าที่เราคุ้นเคยกันบ่อยๆเนี่ยเนื้อหาในพระธรรมเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าใช้แบบลักขณหาระมาจับมาเปรียบเทียบเนี่ยเนื้อหาก็สมบูรณ์อยู่แล้วนะดูก่อนพาหิยะเธอพึงรมศึกษาว่า ศึกษานี่เป็นชื่อของอะไรศึกษาสามใช่ไหมทิฏฐิทีท่ธรรมตังพวิสติเมื่อเห็นจักเป็นประมาณว่าเห็นไอตัวเห็นเนี่ยอะไรเห็นจากกูวิญญาณเห็นตั้งชาวนะให้เป็นประมาณเท่าเห็นเพราะว่าชาวนาเนี่ยที่ชนะขณะที่เห็นเกิดขึ้นมีราคาไหมตั้งชาวนะไม่ให้มีราคาอย่างนั้นจิตเห็นเนี่ยมีโทสะไหมตั้งชาวนะไม่ให้มีโทสะแบบนั้น เมื่อได้ยินเออขอไปขณะที่เห็นเนี่ยมีโมหะไหมไม่มีมันตั้งชาวนะไม่ให้มีโมหะชนนั้นคือเอาจากขวิญญาณเป็นมาตรฐานในความบริสุทธิ์ในความปราศจากราคะโทสะโมหะทีนี้ความปราศจากราคะด้วยมีด้ว ย, วยสิกขาใดปราศจากปราศจากราคะด้วยจิตแต่สิกขาปราศจากโทสะด้วย ศีละสิกขาปราศจากโมหะด้วยปัญญาสิกขาเพราะฉะนั้นก็ตัวสิกขาที่สั่งไว้ตั้งแต่แรกเธอพึงทําศึกษาอย่างนี้แล้เนี่ยนะเพราะว่าตัวเห็นตัวเห็นเนี่ยนะจะเป็นประมาณว่าเห็นในตัวเห็นนี่มันเป็นทุกขสัตว์เห็นนะเห็นเนี่ยเป็นทุกขสัตว์ได้ยินก็เป็นทุกขสัตว์รู้นะทราบก็เป็นทุกขสัตว์รู้ก็เป็นทุกขสัตว์บอกให้เจริญสิกขาสามในทุกขสัตว์เหล่านี้ ถ้าเธอเจริญอย่างนี้นะเธอจะจะไม่มีในโลกนี้จะไม่มีในโลกหน้าจะไม่มีในระหว่างโลกทั้งสองนั่นเป็นที่สุดแห่งทุกข์เธอก็จะไม่มีในโลกนี้คืออายตนะภายในใช่ไหมอายตนะภายในเนี่ยเป็นเราไหมไม่เป็นอายตนะภายในก็ไม่ใช่เราใช่ไมคือไม่ได้สาคัญอายตนะภายในว่าเป็นเราไม่ได้สาคัญอายตนะภายนอกทั้งหมดว่าเป็น เราก็ไม่ได้สำคัญว่าไอ้วิญญาณที่ประชุมกันเพราะอาศัยอายตนะภายในกับภายนอกว่าเป็นเราเป็นต้นเมื่อไม่มีเราจากมีของเรามาจากไหนเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็สามารถตัดฉันทราคะาในสิ่งเหล่านี้ได้นั่นแหละเป็นที่สุดแห่งทุกข์เพราะไม่มีความสำคัญผิดในอุปาทานขันห่าว่าเป็นเราว่าเป็นของเราว่าเป็นอัตตาของเราเป็นต้นเนี่ยนะพอพระพาริยฟังจบแล้วท่านบรรลุเลย ท่านทําปริญญาสามในทวารหได้ทันทีนะียนะแล้วก็บรรลุอารยมรรคเลยนั่นก็สามารถทําที่สุดแห่งทุกได้นะถ้าถ้าใครที่ตั้งอยู่ในหลักการคือการทําปริญญาการละการเจริญการทําให้แจ้งนะถ้าฟังพระไตรปิฎกเนี่ยจะไม่ใช่ไ ม, ไม่ไม่ค่อยสู้ยากเท่าไหร่ทรงจํำอาไว้เหอสีคําเนี่ยมันเป็นคําที่เราใช้ตลอดการเลยเป็น ถ้าเป็นวิชาธรรมะนะเป็นวิชาที่ใช้ใช้ทุกที่เลยทุกคนทุกแห่งใช้อย่างนี้หมดเลยเพราะเป็นสุตไมย า, ยายานนะเป็นเบื้องต้นที่พระสารีบุตรท่านชี้ให้เห็นเป็นลําดับแรกเลยนะการรู้ยิ่งการกําหนดรู้การละการเจริญการทําให้แจ้งเนะี่ยซึ่งในพุทธพจน์ก็มีมีตั้งหลายแห่งนะมีมากจริงๆเพื่อจะชี้ให้ให้เห็นธรรมะเหล่านี้แล้วก็ประกาศถึงสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วย ในพุทธพจน์เนี่ยท่านนิยมแปลเขาก็แปลว่าเธอเพิ่งทาศึกษาว่าเมื่อเห็นสักว่าเห็นเมื่อได้ยินสักว่าได้ยินเนี่ยนะมันก็เลยจําได้แต่คำว่าศักแต่ว่าศักแต่ว่ามาเอาไม้จ้างลูกน้องมาก็สักแต่ว่าทํางานใช้ให้ทําอะไรก็สักแต่ว่าทําใช้ให้หุงข้าวก็สักแต่ว่าหุงใช้ให้เลี้ยงเล็กเด็กก็สักแต่ว่าเลี้ยงให้เช็ดบ้านก็สักแต่ว่าเช็ดเนี่ยนะใช้ให้ทําอะไรก็สักแต่ว่าเนี่ยนะถ้าได้ลูกน้องอย่างนี้เยอะๆไหมดีไหม กินข้าวก็สักแต่ว่ากินอันนี้แย่เลยนะสักแต่ว่าแบบนี้แย่แต่ว่าพอเจริญมิปัสสนาขั้นสูงใกล้บรรลุมรรคผลนะับอกสักแต่ว่าอันนี้คือคือเข้าใจความหมายที่ที่ที่ไม่บริบูรณ์ซึ่งนับว่าเป็นความเสียหายเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าคนไม่รับผิดชอบอะไรไม่ต้องเจริญอะไรไม่ต้องคิดอะไรทุกอย่างสักแต่ว่าหมดเป็นการปฏิบัติตามคําสอนอันนี้เสียหายมากๆเลย ดีไม่ดีก็เป็นการกล่าวตู่ตพดดุทธพน์โดยซ้าไปมีบางท่านก็บอกว่าก็คําศัพ์แปลว่านี่มีในพระไตรปิฎกไม่ใช่หรือบอกนั่นแหละพยายามศึกษาให้เข้าใจว่าคำว่าศัพท์แต่ว่านั้ น, นมาจากบาลีว่าอย่างไร น, นะมะตะมะตะตัวนั้นเช่นมัดตันยูนี่แปลว่าอะไรรู้ประมาณมัตันยูเช่นโพชเนมตันยูตากเรียกว่ารู้ประมาณในอาหาร คำว่ารู้จักประมาณในอาหารในโภชนะคืออย่างไรรู้จักประมาณในการแสวงหารู้จักประมาณในการรับรู้จักประมาณในการบริโภครู้จักประมาณในการสละเนี่ยนี่คำว่าเรียกว่ารู้ประมาณแต่ถ้าว่าศักดิ์แต่ว่าบริโภคแล้วถามว่าจะได้อัธสีประการเหล่านี้ไหมก็ไม่ได้เนั่นในธรรมะเนี่ยถ้าทำรรที่พระ อ, องค์แสดงเนี่ยมีอยู่สองลักษณะด้วยกันคือคําที่ต้องอธิบายกับคําที่เรียกว่าอาธิบายอยู่ในตัวเสร็จแล้ว นะคำที่ไม่ต้องอธิบายเลยก็ <devant S 1> ここมีตั้งเยอะแยะใช่ไหมเช่นอานิจังทุกขังอนัตตาสุภาเ น, นี่ยฟังแล้วก็เข้าใจเลย ท, ทันทีแทบไม่ต้องอธิบายอะไรมากมายแต่บางคำนั้นจะต้องอธิบายแต่ถ้าใช้ผิดประเด็นเมื่อไหร่นะกล่าก็กล่า ว, าวตูว่กนะ็อย่างในพระสูตรสูตรหนึ่ง <S <S <S ที่รองพวกถือบริสุทธิ์ด้วยการเห็นก็มีพวกที่ถามมังคลิกาเนี่ยนะถือความบริสุทธิ์ด้วย จากขูัวิญญาณถือความบริสุทธิ์ด้วยจากขูัวิญญาณแต่บางแห่งเนี่ยเลยไปถึงว่าถ้าต้องเห็นอย่างนี้นะเช่นต้องเห็นท้องของจันทาพระพรามนะนะจึงจักบริสุทธิ์เห็นอย่างอื่นไม่บริสุทธิ์อย่างนี้นะมันก็จะตามมาด้วยอย่างอื่นอีกมากมายเนี่ยนะผ่านพวกกลุ่มทิฏฐิทั้งหลายที่ไม่ได้เป็นไปตามมรรคมีองค์8เนี่ยนะตามด้วยข้อปฏิบัติอื่นๆผิดอีกบานเลย ยิ่งถ้าเข้าใจว่าสัมมาทิฏฐิคือความรู้ในอริยสัจใช่ไหมสัมมาทิฏฐิในความรู้อริยสัจความเห็นอื่นที่ไม่สอดคล้องต่อหลักอริยสัจความเห็นเหล่านั้นเหล่านั้นโดยมากเป็นไปเพื่อเป็นมิจฉาทิฏฐิที่มันตรงกันข้ามกับความรู้ความเข้าใจในอริยสัจเมื่อเข้าใจผิดในหลักอริยสัจเนี่ยนะเขาจะคิดยังไงความคิดอันนั้นเป็นมิจฉาสังกัปปะคําที่เอามาพูดเป็น มิจฉาวาจาพฤติกรรมทั้งหมดเนี่ยนะก็เป็นไปเพื่อเป็นเป็นผลของมิจฉาทิฐินั่นแหละเป็นสมุทฐานน่ะนะกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมก็เป็นบาปเป็นอกุศลแล้วก็นํามาซึ่งทุกโทษอีกโดยประการทั้งปวงเพราะในโลกนี้นะถ้าถ้าเอาตามพระพุทธเจ้าแสดงนะถ้าเราเคารพในคําสอนพุทธพจน์ให้มากๆเนี่ยถือว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรที่มีโทษร้ายแรงเท่ากับมิจฉาทิฐิ วัตตะจะเจริญก็เพราะมิจฉาทิฐิวัตตะจะสั้นก็เพราะสัมมาทิฐิมันทิฐินี้ถือว่าเป็นหัวจักใหญ่ศีรษะของสังสารวัฏเนี่ยนะมีอยู่สามอย่างหนึ่งอวิชชาสองตัณหาสามทิฐิสามประการนี้ถือว่าเป็นหัวหลักใหญ่ของวัตตะถ้าแสดงอวิชชาที่ใดทิฐิก็อยู่ที่นั่น เพราะที่ถินี่มันอยู่ใกล้มากกับอวิชชาพวกโมหะมากนี่แหละเรียกพวกทิฏฐิจริตนะนะแล้วก็จะเหลืออวิชชากับตันหา ก, ก็สองประการก็ได้ดังนั้นความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องคําสอนเนี่ยนะมีมีความสําคัญกับชีวิตเรามากจริงๆเลยมั้นก็พยายามทําความเข้าใจให้ดีๆว่าคําสอนเป็นอย่างไรแล้วก็ต้องไม่ลืมฐานะที่เป็นจริงว่าเราทั้งหลายเป็นเป็นใครถ้าปฏิบัติตามเป็นสาวก ถ้าบรรลุนะถ้าบรรลุเป็นสาวกถ้าไม่บรรลุเป็นพุทธบริษัทเป็นบริษัทเฉยๆเนี่ยนะก็ยังไม่ได้บรรจุอะไรนะลูกจ้างชั่วคราวเนียนะที่จริงก็มาสมัครเองอะนะมาสมัครเองเซ็นเองเออเองเออเองอะนะก็ท่านก็ยังไม่ได้บรรจุให้อะไรก็พร้อมที่นึกลาออกเมื่อไหร่ก็ได้อยู่แล้วนะอย่าเพิ่งลาออกเลยนะ เนีมาดูในเนติปกรณ์หน้า42ย่อหน้าข้างล่างอีกต่อไปว่าทำเหล่าใดมีลักษณะเหมือนกันโดยกิจโดยลักษณะโดยสามัญและโดยการดับการเกิดแห่งสังคตะธรรมทั้งหลายเมื่อท่านกล่าวธรรมะอย่างหนึ่งแห่งธรรมะเหล่านั้นแล้วธรรมะที่เหลือก็เป็นอันกล่าวแล้วตรงนี้ก็ชี้ให้เห็นว่าถ้าสิ่งใดที่มีกิจเหมือนกันนะถ้าพูดแต่อันเดียวที่เหลือก็ชื่อว่าแสดงแล้ว คำว่ากิจเหมือนกันเนี่ยนะเช่นรูปและอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยนะก็มีกิจเหมือนเหมือนกันน่ยนะเช่นว่าถ้ารูปเนี่ยสภาวะของรูปที่มีกิจเหมือนเหมือนกันไปหมดก็คือไม่รู้อารมณ์เนี่ยนะอันนี้เหมือนเหมือนกันแต่ถ้าดูตามดีกาท่านบอกว่าโดยกิจอ น, นันหมายถึงการรู้สภาวะของรูปนามพร้อมทั้งปัจจัยทว่ารวมๆเลยนะ คำว่าโดยกิจอันนั้นหมายถึงยาตะปริญญานนถ้ากล่าวถึงอะไรที่กล่าวแบบยาตะปริญญาอันนั้นก็ชื่อว่าแสดงหมดแล้วถ้าโดยลักษณะโดยลักษณะ น, นี้หมายถึงโดยสภาวะนั่นเองอนนสภาวะเช่นปัทวีธาตุกัคขละสภาวะเวทนามีลักษณะกระทบอารมณ์เป็นต้นเนี่ยนะอันนี้เรียกว่าโดยสภาวะแล ะ, ะโดยสามัน สามัญก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นต้นเนี่ยนะเพราะคำว่าโดยกิจโดยลักษณะโดยสามัญเนี่ยก็คือโดยปริญญาสามนั่นเองคือถ้ากล่าวทำใดอย่างหนึ่งที่ที่เป็นที่ตั้งแห่งการทำปริญญานะธรรมะที่เหลือก็ชื่อว่ากล่าวแล้วละ่ะเพราะมันเป็นที่ตั้งแห่งการรอบรู้อยู่แล้วนั้นถ้ากล่าวนามก็ชื่อว่ากล่าวรูปแล้วถ้ากล่าวรูปก็ชื่อว่ากล่าวแล้ว ถ้ากล่าวทั้งนามทั้งร <ividade> ูป <knowledge> ก็ชื่อว่ากล่าวปัจจัยแล้วเพราะว่านามรูปมันก็เกิดจากนามรูปนั่นแหละนามรูปเกิดจากนามรูปใช่หมอันนั้นามรูปเกิดจากนามรูปนะถ้ากล่าวนามรูปปั๊บทั้งนามรูปเกิดจากนามรูปก็ชื่อว่ากล่าวแล้วเพราะถ้ากล่าวนามรูปก็ชื่อว่ากล่าวปัจจัยเรียบร้อยแล้วเพราะนามรูปมันก็เกิดจากนามรูปอีกอยู่ดีไม่ได้มีการพ้นอะไร ถ้าท่านถ้าดูตามบาลีท่านบอกว่าปัทวีอาทีนางัสสาทีนันจะรูรูปธรรมรูปารูปธรรมมานางังสาธารณะสังขสังขตนาที่กิจจโตก็คือกล่าวถึงกิจของพวกรู ป, ปธรรมอรู ป, ปธรรมเนี่ยนะกิจของรูปนามเช่นกิจของภัสสะเป็นต้นกิจของปัทวีธาตุเป็นต้ น, ว, น, ตนว่าแต่ละอย่างแต่ละอย่างนั้นมีกิจกิจอย่างไรเนี่ยนะก็ เตสังเตสังวาปัจยธรรมมานังตังตังปัจยุปันธรรมมัสสะปัจยภาวะสังคาตะกิจจโตก็คือทั้งปัจจัยและปัจโยบันนั่นเองก็สามารถเอาสิ่งที่เป็นกิจนะกิจเหล่านั้นมาพิจารณาทั้งโดยปัจจัยและโดยปัจโยบันคือกิจว่าส่วนนั้นในเป็นอยู่ในส่วนของปัจจัยหรือปัจโยบัติถ้ามันการที่พิจารณา สกิจของรูปนามทั้งหลายทั้งโดยปัจจัยและโดยปัจจุบันก็เป็นลักษณะของยาตะปริญญานั่นเองนะนั่นก็ถ้าเอาโดยอัดเอาไปคิดต่อง่ายๆก็คือยาตะปริญญาแต่ถ้าโดยสามัญลักษณะโดยลักษณะกับโดยสามัญเนี่ยนะอันนี้ก็โดยคำว่าลักษณะก็คือเช่นธาตุแต่ละอย่างก็มีลักษณะเป็นของตนของตนอันนี้ก็เป็นสภาวะลักษณะ ส่วนสามัญลักษณะก็คือเขาบอกว่ารูปรูปเนี่ยมีลักษณะที่เป็นสามัญคือรูปปณะสลายไปนามมีลักษณะนามะก็คือน้อมไปเพื่อรู้อารมณ์แล้วก็ลักษณะอนิจจโตที่ก็คือความไม่เที่ยงเป็นต้นของขันตยาตนาที่โตหมายถึงขันและอายตนะ อนไรโดยสามัญคือถ้าว่านะวิธีคิดง่ายๆว่าโดยกิจโดยสามัโดยลักษณะโดยสามัญน่ะว่ารวมๆก็คือโดยลักคณาที่จัตุกะและโดยสามัญยลักษณะอันนั้นนี่ถ้าเราจะถ้าเอาสำนวนอภิธรรมมัตสังหมและดีกามาคิดแบบง่ายๆนะก็คือโดยโดยลักษณะโดยกิรสะปัจจุปทานปัทฐาน และโดยสามัญลักษณะความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของสิ่งนั้นๆเป็นต้นนั่นเองคือลักษณะที่จริงถ้าเป็นอภิธรรมมสังขารจะพูดลักษณะก่อนไหมลักษณะกิจปัจจุ ป, ปถานและปะัจจุบนจะจ ะ, จ ะ, จ, ะจะยกลักษณะขึ้นมาก่อนจึงกล่าวกิจตามหลังกิจก็มาจากราาัสนเนี่ยนะแต่ตรงนี้ใช้คําว่ากิจจะเลยกิจก็คือรัสน์นั่นเอง แล้วก็สามันตามมาถ้ากล่าวสภาวะนั้นพร้อมทั้งปัจจัยและแสดงถึงความไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาของสิ่งนั้นแล้วก็สิ่งที่มีลักษณะโดยการเกิดและการดับเนี่ยนะจุตูปปาตะก็คือโดยการเกิดกับการดับหรือการดับกับการเกิดเนี่ยนะของสังคตะธรรมทั้งหลายเพราะว่าสังคตธรรมทั้งหลายมีความเกิดความดับเป็นลักษณะที่เป็นสามัญยักษณะ แต่คําว่าเกิดต้องไม่ลืมนะทำเหล่าใดมีเหตุเป็นแดนเกิดนะใช่ไมไม่ใช่มันเกิด ล, ลอยๆอยมันเกิดเพราะความประชุมพร้อมแห่งปัจจัยสังขารทั้งหลายเหล่านั้นก็ก็เกิดขึ้นถ้าปัจจัยเหล่าใดเหล่าหนึ่งบกพร่องไปสิ่งนั้นก็แตกทาลาย อ, านะอย่างเช่นรูปทั้งหลายเนี่ยพอได้เหตุปัจจัยพร้อมรูปก็เกิดขึ้นแต่ถ้าวิโรที่ปัจจัยเข้ามาเบียดเบียน รูปก็แตกคำลายเสียหายไปนั้นธรรมชาติของรูปนั้นเป็นเช่นนั้นแต่ถ้าคําว่าอันนี้นี่ จ, จ, จุตูเนี่ยมาจากจุติเนี่ยนะก็คือความสิ้นไปสลายไปแต่ไม่ได้ออมความไปถึงดับตัวนั้นไม่ใช่ดับแบบอะไรเนี่ยเหตุเกิดความดับนะแบบอุทยาพยัญชนไม่ใช่แต่กล่าวถึงว่าธรรมะทั้งหลายมันเกิดแล้วก็มันก็ ก็ดับไปเช่นรูปเนี่ยเช่นรูปที่มันเกิดขึ้นเพราะสมุทรฐานสี่มันเป็นปัจจัยทําให้เกิดใช่ไหมถ้าได้รูปปณลักษณะได้รูปปณตัวใดตัวหนึ่งมาเบียดเบียนได้วิโรธที่ปัจจัยตัวใดตัวหนึ่งมาเบียดเบียนรูปเหล่านั้นเหล่านั้นก็เสียหายไปแต่อันนี้ไม่เกี่ยวกับอุทย พ, พ ย, ายานนะการที่มันเป็นธรรมชาติแบบนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับอุทย พ, พย า, ยาน เพราะอุทยพย า, ยานเนี่ยเขารู้กว้างขวางกว่านี้เยอะอุทยพย า, ยานนะคิดง่ายๆว่าอุทยะหมายถึงยานที่รู้สมุทยวาระของปฏิจจสมุปบาทวยพยานตัวนั้นเนี่ยหมายถึงรู้นิโรธวาระในปฏิจจสมุปบาทมันเป็นการเห็นปฏิจจสมุปบาททั้งอนุโลมและปฏิโลมแต่ถ้าการเกิดดับเหล่านี้ก็คือการเกิดการตายของสิ่งทั้งหลายเหล่านี้คิดง่ายๆว่า รันทั้งหลายเวลาเกิดขึ้นเนี่ยอาศัยเหตุปัจจัยอะไรที่ทำให้เกิดพอเกิดมาแล้วตายไหมทำไมจึงตายเนี่ยสัตว์ทั้งหลายทำไมจึงตายบอกหวัวใจล้มเหลว <c oughs> ก็ไม่ผิดอะไรนะก็ถูกแล้วหรือ ถ, ถ้าบอกอันอื่นเลวด้วยก็ถูกกันนะเพราะเลวอย่างหนึ่งมันก็พาตายหมดอนะเ <c oughs> จนผพ <c oughs> คือมัน โดยสับตรงนั้นเนี่ยนะมันถ้าเป็นพวกโลกิยาญาณมันรู้โดยอนุมานถ้า โ, โดยโลกิยาเนี่ยนะถ้าโลกุตระก็บรรลุจริงๆแต่ว่าผู้ที่รู้โดยแบบแบบอุทยพทยญาณ น, นั้นยังไม่ให้รู้โดยอารมณ์จริงๆแต่ก็สามารถเหมือนกับอนุมานคำนวณได้เลยว่าถ้าอันนี้ดับนะอันนี้ก็ก็ดับละเนี่ย แต่ไม่เหมือนตรงนี้นะตรงนี้การการดับการเกิดเนี่ยมาจากบาลีว่าจุตูป ป, ปาตะสั์ตรงนี้นยะตรงนี้มันมาจากจุติจุติกับอุปาตะก็คือจุติก็คือดับใช่ไหมอุปาตะก็คืออุบัตไม่ใช่อุทยพยะนะในในหน้านี่บางทีเนี่ยถ้าเห็นเกิดดับเฉยๆนั้นถ้าเราไม่ได้ดูที่มาที่ไปเนี่ยก็นับว่า ลำบากเหมือนกันนะเพราะว่าเราก็จะอธิบายอีกอย่างหนึ่งไปเป็นอีกอย่างหนึ่งก็น่าน่าเป็นห่วงนี่คือภาษาไทยที่รองรับได้ไม่หมดเนี่ยมันก็การเรียนพระธรรมนั้นก็อันนี้ที่เรียกว่าศึกษาก็ให้ระวังมากๆเลยเพราะเห็นตามคำเนี่ยนะบางทีนึกว่าใช่อะแล้วมันไม่ใช่เนี่ยนะนี่ถ้าเกิด อ, อ่าไม่ใช่ คือตัวนี้เนี่ยนะการโดยกิจโดยลักษณะโดยสามัญโดยการเกิ ด, ดการดับเนี่ยหมายถึงว่าในความเป็นปริญญาธรรมเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นในในสภาพเดียวกันเนี่ยถ้าพูดปริญญาธรรมหนึ่งตัวปริญญยายธรรมอื่นๆก็ชื่อว่ากล่าวแล้วมันคือคือเป็นคําพูดในลักษณะนี้เช่นว่าถ้ากล่าวสัญญาขันมาอันเดียวนยขันที่เหลือก็ชื่อว่า กล่าวแล้วเพราะขันเนี่ยมีโดยความเป็นขันมีลักษณะเหมือนกันเป็นต้นเนี่ยนะโดยเหตุโดยปัจจัยโดยเหตุเกิดความดับโดยอัศธ า, าอาทีนว่ามันก็ระบบมันคล้ายคลึงกันไปหมดอะ่ะเพราะถ้าพูดอันหนึ่งก็อันอื่นก็ชื่อว่ากล่าวแล้วเนี่ยในบางหลายๆกรณีเนี่ยถ้ากล่าวจิตเจตสิกก็ชื่อว่ากล่าวแล้วถ้าชื่อว่าพระราชาเสด็จมา อามาทั้งหลายก็ชื่อว่ามาแล้วเนี่ยนะอันนั้นคือคือมันเหมือนกันในลักษณะนั้ น, นเพราะว่าลักษณะหาระเนี่ยท่านต้องการให้รู้ว่าถ้าพูดอย่างหนึ่งนะอันที่เหลือก็ชื่อว่ากล่าวแล้วต้องการจะพูดเท่านั้นก็มีใครติดใจอะไรเกี่ยวกับลักษณะหาระไหม ช่วยช่วยเหลือในการอ่านพระไตรปิฎกมากเลยถ้าถ้าใครที่เป็นรักที่จะอ่านพระไตรปิฎกเนยนะหรือใครที่จะพิจารณาธรรมะอย่างใดอย่างหนึ่งก็เอาลักคณะหาละไปก็ช่วยได้เยอะเช่นถ้าเราจะพิจารณาคําว่ามหาพูดเออถ้าพี่พูดคําว่ามหาพูดอุปาทายรูปก็เชื่อว่ากล่าวแล้วใช่ไหมถ้ากล่าวภูตารูปและอุปาทายรูปเนี่ยนามเท่ากับกล่าวหรือยัง พราะรูปท so, ั L ้งหลายบางอย่างเป็นวัตถุของนามบางอย่างเป็นอารมณ์ของนามเพถ้ากล่าวรูปก็ชื่อว่ากล่าวนามคือเวทนาเป็นต้นแล้วถ้ากล่าวเวทนาเป็นต้นก็ชื่อว่ากล่าวสัญญาสังขารและวิญญาณแล้วถ้ากล่าวขันท่าอย่างนี้ก็ชื่อว่ากล่าวปัจจัยแล้วเพราะว่าขันท่านั่นแหละเป็นปัจจัยแก่ขันท้าทีนี้ขันในอดีตเป็นปัจจัยแก่ขันในปัจจุบันขันในปัจจุบันก็เป็นปัจจัยแก่ขันใน อนาคตต่อไปเนี่ยนะขันทั้งหลายก็เป็นปัจจัยสืบเนื่องกันไปในในลักษณะนี้การสามก็ชื่อว่าแสดงแล้วถ้าแสดงภายในข้างนอกอะ่ะมันต่างตรงไหน <c oughs> ก็ทงก็รู้รู้กันอยู่แล้วไม่ใจเข้าใจเราเนี่ยนะมันก็ใจเหมือนกันนั่นแหละในความเป็นใจอ่ะนะก็สุขทุกข์เหมือนกันนั่นแหละถ้ากล่าวภายในภายนอกแล้วอย่างหยาบกัอย่างละเอียดนะสมมติว่าคนชั้นสูงกับคนชั้นต่ำต่างกันตร ง, ตรงไหน ก็ไม่ได้มีความต่างกันในความเป็นเนี่ยสิ่งที่เกิดจากปัจจัยเนี่ยนะยาละเอียดเลวประณีตอยู่ไกลหรืออยู่ใกล้มันก็ไม่ได้ต่างอะไรกันทั้งหมดนั่นก็คือขันแต่ก็การแสดงแบบนี้นะอย่าลืมว่าวัตถุประสงค์จริงๆแล้วเนี่ยเพื่อไม่ให้ตามเห็นสิ่งเหล่านั้นว่านั่นเป็นเราด้วยอํานาจเป็นเรานัด้วยอำนาจนะมานะใช่ไหมนั่นของเราด้วยอำนาจตัณหานั่นอัตตาของเราด้วยอำนาจ ท, ทิแล้วถ้าเห็นว่ายังไงเขาบอกว่าคนมีปัญญาไวยนี่คือคนยังไงผู้มีปัญญาไวยนชาวนะวนปัญญาคือคนที่มีปัญญาเล่นไปในรูปที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกหยาบละเอียดเลวประนีตไกลและใกล้วันนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตานี่แลละคนมีปัญญาไว้ของเรานี่ไม่ค่อยไวเท่าไหร่นะยังฝืดฝืดอยู่บ้างแต่ถ้าซ้อมอีกหน่อยไม่แน่นะ คำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นปิดกสามนี่คืออะไรคือศีลสมาธิปัญญาพระวินัยปิดกก็เป็นศีลใช่ไหมพระสุตตันตปิดกก็กล่าวโดยนี่ก็มากไปด้วยสมาธิอภิธรรมปิดกก็มากไปด้วยปัญญาศีล ส, สมาธิปัญญาเนี่ยนะอาศัยกันไหมเพราะฉะนั้นใครที่มีศีลเนี่ยนะศีล ส, สมาธิอันศีลอ บ, บรมแล้วมีผลมากมีอ น, นิสงส์มากนะพราะศีลเ น, นี่ยเป็นตัวที่ไปอ บ, บรมสมาธิสมาธิเป็นตัวอ บ, บรมปัญญา ปัญญาเป็นตัวไปอบรมจิตนะศีลอบรมสมาธิสมาธิอบรมปัญญาปัญญาอบรมจิตจิตที่ได้รับปัญญาอบรมเนี่ยจะหลุดพ้นจากอาสวะสี่ประการซึ่งคําสอนเราก็ไม่ได้ปฏิเสธอันใดอันหนึ่งเนี่ยนะก็แสดงโดยรวมโดยความเป็นเหตุเป็นผลเชื่อมโยงกันเนี่ยนะซึ่งในลักษณะวิชาสูตรกตัญหาสูตรนะนะเราก็กล่าววิชาวิมุติว่ามีอาหารเราไม่กล่าวว่าไม่มีอาหารใช่ไหม อะไรเป็นอาหารของวิชาและวิมูธเรากล่าวว่าโพชงนะนะถ้รทำคาสอนที่บริบูรณ์เนี่ยนะอย่างอริยสัจยกตัวอย่างว่าเป็นคําสอนที่บริบูรณ์จริงๆเอาออกก็ไม่ได้เพิ่มก็ไม่ได้พราะกล้ากล้าตรัสเลยว่าไม่มีใครเอาออกได้แม้แต่สัจจะเดียวพ่านี่สมนะโคดมบัญญัติไม่ดีเราจะตัดนะตัดสัจจะออกแม่แต่สัจจะหนึ่งนะก็ทําทไม่ได้ ก็บอกว่านี่ขาดไปนะถ้าได้อีกอันหนึ่งเนี่ยดีสวยเลยก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปเพิ่มเพราะว่าสมบูรณ์ที่สุดแล้วเนี่ยนะมีความบริบูรณ์ไม่ยิ่งกว่านี้จริงๆไม่มีการยิ่งและการหย่อนพระนอรยสัจสีนี่มีความสมบูรณ์ว่าต้องสี่เท่านั้นจึงจะเรียกว่าบริบูรณ์ถ้ากล่าวหนึ่งนะถ้ากล่าวแต่หนึ่งสามที่เหลือก็ชื่อว่ากล่าวแล้วถ้ากล่าวสามถึงขาดไปหนึ่งก็ชื่อว่า กล่าวแล้วเพราะเขามีความสมบูรณ์ว่าต้องสีเท่านั้นเนี่ยนะต้องสีเท่านั้นจึงจักบริบูรณ์ได้อย่างอริยะเมวะอัตถังคิโกมัคโหนี่นะบอกอริยมรตมีองค์แปดเท่านั้นที่จะทําให้บรรลุได้เนี่ยนะคือสัมมาทิฏฐิเป็นต้นเนี่ยที่จะทําให้บรรลุมรรคผลเนี่ยท่านใช้คําว่าเท่านั้นเลยเนยีเพราะว่าถ้าขาดอันหนึ่งบรรลุไม่ได้ระดับล่างนะอันนี้เราไม่พูดระดับทุตยฌานขึ้นไป แต่พูดถึงระดับธรรมดาเลยเนี่ยระดับปฐมฌานอัปปนาธรรมดาเนี่ยขาดแม้แต่องค์ใดองค์หนึ่งบรรลุไม่ได้บอกว่าเท่านั้นจริงๆเลยเนะอายะเมวะเนี่ยนะอยังเอวะน่นอริยมัตมีองแบบนี้เท่านั้นอายะก็อยังอ่ะนะอยังแปลว่านี้เอวะก็บอกเท่านั้นเท่ากับปฏิเสธทางอื่นทั้งหมดยังอื่นไม่ได้นะทำให้บรรลุไม่ได้ ต้องมัสมีองค์8เท่านั้นเพราะถ้าใครปฏิเสธแม้แต่มัศเดียวก็ปฏิเสธสัมมามัศค์ถ้าพันการแสดงธรรมเนี่ยมันขาดอันใดอันหนึ่งไม่ได้เพราะฉะเมื่อขาด8เนี่ยขาดอันใดอันหนึ่งไม่ได้ถ้ากล่าวอันหนึ่งที่เหลือก็ชื่อว่ากล่าวแล้วถ้ากล่าว7อีกอันหนึ่งถึงไม่พูดถึงก็ชื่อว่ากล่าวแล้วทีนี้การกล่าวธรรมสมบูรณ์หรือไม่พระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้อัธยาศัยของเวนัยบุคคล เพราะคนบางคนน่ะเวลาคุยกันน่ะต้องอธิบายยืดทั้งหมดไหมทุกเรื่องต้องโอ้อารัมพบทลากยาวมาหมดเลยกว่าจะคุยประเด็นนั้นน่ะนะถ้ายิ่งบางคนนี่เจอที่เรียกว่าคุ้นเคยกันมากใช้คําไม่กี่คําแต่ว่าถ้าอีกคนหนึ่งมานั่งฟังด้วยนะโ oh, อ้อธิบายยาวเลยเนีนนะไอเรื่องที่สองคนนี่คุยกันแบบที่เรียกว่าสมัยใหม่เขาเรียกว่าศัพท์เฉพาะศาสตร์เนี่ยนะสัท์เฉพาะศาสตร์หรือว่าความคุ้นเคยของแต่ละแห่งแต่ละท้องถิ่นเนี่ยซึ่งพระพุทธเจ้ารู้อัธยาศัยของเวนยศัตว์หมด คำสอนที่พระพุทธเจ้าจาริกเที่ยวสั่งสอนทั่วชมพูทวีปอะมาอยู่ในมือของเราทั้งหมดแล้วอ่ะนะถ้าจะคิดไปอ่ะนะเพราะฉะนั้นเราจะโดยรวมๆแล้วเราไม่ค่อยรู้เบื้องหลังของแต่ละคนหรอกเขาทําบุญอะไรกันมาเท่าไร่เขาฟังแค่ไหนเขาฟังมากี่รอบแล้วเขารู้จักพระพุทธเจ้ามากี่ปีแล้วอะไรเป็นต้นเนี่ยแต่เราก็ไปเอาเนี่สูตรเด็ดๆแถ้ๆ เ, เขาบรรลุนั่นแหละแล้วก็เผื่อจะบรรลุบ้าง แล้ก็เราก็หวังพ้นทุกข์นนะเราก็สนใจตรงนั้นนะ่ะเราก็อยากบรรลุกับท่านบ้างนะแต่ทีนี้ว่ามันไม่ยอมบรรลุสักทีก็เลยเนี่ยแหละที่มาของสารพันความคิดความเห็นที่หลากหลายแตกต่างกันแต่ว่าโดยอย่างไรก็ตามผู้ศึกษาและปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนะี่ยต้องไม่ลืมเอาไอ้ตัวความคิดเหล่านี้มาทำปริญญาด้วยเนะใช่ไหม เพราะว่าต้องเอามักที่เรากําลังเจริญกําลังปฏิบัตินี่มาทําปริญญาด้วยเพื่อสอบสวนว่าถูกหรือผิดหนอที่กําลังเจริญอยู่นี่ถูกทําไมจึงถูกถ้าผิดทําไมจึงผิดผิดแล้วแก้ได้ยังไงถ้าถูกแล้วจะเพิ่มพูนให้บริบูรณ์ได้อย่างไรอันนี้ต้องทําความเข้าใจมากๆนะเอาความคิดของเรามาทําปริญญาให้ดีๆด้วยนะตัวที่เจริญนี่แหละจําเป็นมากที่จะต้องเอามาทําปริญญาเพราะว่าพ่ชงบาพระนะไม่ลืมนะ เมื่อพ่อชงทั้งหมดเนี่ยมีอยู่นะภายในก็รู้ชัดว่ามีถ้าไม่มีก็รู้ชัดว่าไม่มีถ้าไม่มีแล้วจะมีได้ยังไงก็รู้ว่าพ่ชงแต่ละอย่างแต่ละอย่างจะมีได้อย่างไรถ้ามีแล้วจะเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ที่ไหนเมื่อไหร่อันนี้ก็ต้องตอบให้ได้ต้องเข้าใจให้ได้ถ้าไม่อย่างนั้นนะไม่รู้เจริญอะไรเหมือนกันนะจเจริญทำไม จเจริญน่ะดียังไงนะไปถามเขามาเขาโกรดนะต้องถามตัวเองนะตัวเองจะให้อภัยตัวเองได้แต่ถ้าไปถามคนอีกข้างหนึ่งนะลําบากใจมากนะจะรู้ไปทําไมอย่างเงี้ยนะเดือดร้อนนะก็มีเวลาอีกสิบห้านาทีนะใครจะสนทนาอะไรก่อนไหมแล้วอาทิตย์หน้าค่อยกล่าวหาระใหม่คือความว่าว่าง่ายเนี่ยนะนะก็ต้องว่าเป็นประเด็นประเด็นไปนะ ซึ่งในการศึกษาพระธรรมแล้วก็ระลึกเลยว่าพระธรรมคำสอนเนี่ยพระองค์ประสงค์จะให้เราทําอะไรเราทําได้ไหมทําไมเราจึงทําไม่ได้ถ้าทําไม่ได้ก็สมทานที่เพื่อให้ทําได้ไปเรื่อยๆอนนอย่างเช่นทุพองค์บอกว่าให้เราศีลดีนะแล้วศีนจะดีศีนจะบริสุทธิ์ได้ด้วยเหตุผลใดอันนั้นแหละที่เราจะต้องตั้งบ่อยๆสมาทานบ่อยๆซึ่งคนที่พื้นฐานมา ปุถุชนมาศึกษาพระธรรมคำสอนของพระอริยะเนี่ยให้รู้ว่าทุกเรื่องมันตรงกันข้ามกันหมดว่ารวมๆแล้วมันตรงกันข้ามกันหมดอันนี้แหละที่เรียกว่าจิตของเราต้องโอนไปหาท่านเนี่ยนะท่านในที่นี้หมายถึงพระตนตรยัยแต่ก็ในยุคนี้เนี่ยปัญหามันก็คือวันก่อนก็ค่อนข้างสังเวชเนยนะบอกว่าโอ้ตื่นขึ้นมาแล้วก็ต้องนึกถึงพระพุทธเจ้าเลยหรือเป็นคาที่ลักษณะไม่โสมนัสด้วยว่า มากไปมั้งเตื่นขึ้นมาก็นึกถึงพระพุทธเจ้าเลยและเขาจะให้คิดถึงใครนะถ้าสมมติทําไม่คิดถึงพระพุทธเจ้าจะให้คิดถึงใครอันนี้ทำให้เห็นเลยว่าเขานี้ไม่มีคุณสมบัติของผู้แม้กระทั่งถึงสาระด้วยซ้ำไปเขาเป็นผู้ไม่มีสาระจริงๆขนาดว่านึกถึงพระพุทธเจ้าเขายังตาหนิจะกล่าวปลายยถึงอย่างอื่นเนะี่ยนี่คือคือรู้ว่าเตือนเช้ามาก็ลืมตาเลยหรือ มันจําเป็นอะไรมากมายถึงต้องลืมตาเนี่ยเอาพัต เ, เตอร์มาปิดไว้ไม่ดีกว่าหรือเนี่ยนะนะอันนี้คือทําให้เห็นว่าแม้กระทั่งว่าไม่รู้คุณของอะไรเป็นอะไรจริงๆอันคําพูดของปุตโชนทั้งหลายเนี่ยน่ากลัวอันถ้าไม่มีคุณสมบัติแห่งความเป็นผู้ว่า ง, ง่ายสมัยก่อนเนี่ยนะก็มีพระอยู่รูปหนึ่งเช่นพระฉันนะเนี่ยพระฉันนะไม่ได้มันลุ่มมักผลตราบที่พระพุทธเจ้าอยู่เพราะแกว่ายากเนี่ยนะนะถ้ามีใครมาบอกนะ ก็บอกว่าบอกท่านท่านไหนมันก็จะตอมไงที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรเนี่ยนะก็ถามไปเรื่อยเพราะว่าท่านเออไม่ใช่ผมนะคือบายเบียงไปจนจนไม่ได้บรรลุมรรคผลนะเนี่ยเอาจนตัวเองไม่ไม่เจริญเลยบางคนเนี่ยคนที่ว่ายากคืออะไรคือคนที่ข้อแม้มาก ตั้งข้อแม่นะเออถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนี้อันนั้นอันนี่โอ้ยข้อแม่เยอะเหลือเกินเนี่ยนะก็สมควรแล้วละ่ะที่ไม่ได้บรรลุมรคผลเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะข้อแม้นะว่าอันนี้ควรกําหนดรู้เราบอกยากเกินไปเนี่ยนะบอกว่ายังไม่พร้อมนะก็คือหาเหตุผลจนไม่ต้องเจริญอริยสัจเนี่ยนะก็หลายๆคนที่พรอมาจะชอบถามว่าว่าโดยรวมๆก็คือยังไม่ถักปฏิบัติตามางั้นเถอะ ยังไม่พร้อมจะเจริญตามยังไม่พร้อมจะปฏิบัติหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคืออ้างเหตุผลจนถึงแม้กระทั่งไม่ปฏิบัติก็ไม่เป็นไรอันนั้นกล่มว่ายากก็คือมีข้อแม้มากเนี่ยนะซึ่งข้อแม้เหล่านี้เนี่ยถ้าเขาตั้งกับบางเรื่องเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าเขาตั้งกับพระรัตนตรายอันนี้น่าเห็นใจมากเหมือนกับว่าเขาหิวมากเกือบจะตายอยู่แล้วเนี่ยนะแล้วเขาบอกว่าเออนี่นะถ้าอีกสักสองชั่วโมงค่อยกินก็ได้มั้ง หิวก็หิวนนะแต่ก็หิวละ่ะแต่ว่าตั้งข้อแม้จนไม่ต้องกินอะ่ะนะเอ๊ะมันย่อยได้หรือเปล่าเนี่ยนะถามจนอย่างนั้นน่ผู้ที่ศึกษาปฏิบัติธรรมเนี่ยนะก็เหมือนกันดังที่กล่าวว่าที่ที่เราเรียนกันอยู่นี่เนี่ยนะอมาพูดเสมอว่าไม่ใช่ของอัตมาเนี่ยนะอมมาก็ ได้บุญเพราะเอามาสแสดงเอามาพูดเนี่ยจะได้บุญในส่วนนั้นไม่ใช่ของเราเพราะฉะั้นเราทั้งหลายก็พยายามและลึกถึงคุณพระรัตนตรายเธอพระพุทธเจ้าพระองค์เป็นยังไงพระองค์ตรัสรู้อะไรตรัสรู้ที่ไหนเมื่ อ, อไหร่ยังไงเนี่ยอันนี้คือเราต้องทําความเข้าใจแล้วพระธรรมที่พระองค์สอนสอนว่ายังไงสอนให้ทําอะไรสอนแล้วดียังไงถ้าเราทําตามแล้วมีคุณอย่างไรถ้าไม่ทําตามแล้วมีโทษอย่างไร พระสงค์ปฏิบัติดีปฏิบัติดีตรงไหนดีอะไรทําไมเราต้องเคารพทําไมเราต้องกราบไหว้อันนี้เราต้องพยายามศึกษาจนเข้าใจอย่างเพียงพอเพราะฉะถ้าเราความเข้าใจอันนี้ไม่ดีพอถึงเราว่าง่ายก็เสียหายอีกเพราะบางทีเขาถ้าเขาว่าไม่ให้เราปฏิบัติทำล่ะเราก็เชื่อเขาไปหมดอีกอันนี้ก็เสียหายเพราะฉะนั้นคำว่าว่าง่ายไหมายคำว่าเขาว่าให้ละอกุศลก็ละตามเขาว่าให้เจริญกุศลก็ จเจริญตามแต่ทีนี้ถ้าศึกษาไม่ดีพอเนี่ยนะอย่างสัมมาทิฏฐิกับมิจฉาทิฏฐิแยกยากใช่ไหมถูกขับผิดบางทีก็แยกยากนั้นการศึกษาพระธรรมเนี่ยนะถ้าขาดความเข้าใจที่ถูกต้องขาดความเข้าใจที่ชัดเจนเนี่ยนะทุกคนก็น่าเห็นใจคืออันนี้ว่าโดยอ น, นิสงฆ์นะถ้าใครปฏิบัติผิดนะั้นได้ขันธ์าไม่ต้องห่วง อันนี้อันนี้ส์ที่จะต้องได้รับเหมือนกันเลยใช่ไหมน่าคิดนะว่าปฏิบัติใครทำอะไรก็ได้แต่ว่าอันนี้สองคือขันห้าจะไม่หลุดพ้นจากขันห้าอันนี้ชื่อว่าเป็นที่สุดของมิจฉาปฏิบัติสัมมาปฏิบัติก็คือนำออกจากขันห้าที่เราเรียกว่านำออกจากจากทุก์ทั้งหลายท่า น, นทำยังไงที่เราจะจะนำตนให้ออกจากขันห้าได้นั่นแหละคือการศึกษาและการปฏิบัติธรรมของ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่าลืมว่าโพธิปคัคขยธรรมทั้ง37มเนี่ยนะมีลักษณะคือนิยานิกธรรมเป็นธรรมที่นำออกจากอุปาทานขัน5อย่างคำสอนที่พระองค์สอนเนี่ยนะเป็นคำสอนที่สมบูรณ์ภัยบูรณ์บริบูรณ์เนี่ยนะที่แม้แต่โบราณเขาก็ยกย่องใช่เกวลปริสุทธังเกวละปริสุทธังปริปุนังพรัมมจารยังประกาศเสสิใช่ พระธรรมที่พระพุทธเจ้าเนี่ยประกาศพรมอมจารย์พร้อมทั้งอัฏฐาพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงเนี่ยนะพระองค์เนี่ยตรัสไว้ดีจริงๆนีนะพระองค์เนี่ยจะเรียกว่าสุขโตเป็นต้นตถาคตเป็นต้นก็เพื่อจะอธิบายว่าคําสอนของพระองค์เนี่ยถูกต้องดีไม่มีผิดไม่มีพลาดไม่มีเพี้ยนแต่ยุกตั้งกติกาจนไม่ต้องศึกษาจนตัวเองไม่ต้องฟัง ฟังแล้วก็ยังบอกฟัง ก, ก็ฟังไม่รู้เรื่องก็อย่าไปฟังเลยเป็นต้นเนี่ยนะหาเหตุผลจนตัวเองไม่ได้ศึกษาแล้วก็เจริญตามพระธรรมคําสอนมีข้อแม้ตั้งเงื่อนไขมากเอามากมากจนว่าหมดไปอีกชาติหนึ่งชาติที่เจอพระาศาสนานะีที่เหลือก็จะเจอชาติที่ไม่มีพระาศาสนาเป็นไปในสังสารวัตรซึ่งเขาเนี่ยน่าสงสารถ้าเทียบกับพระรัตนตรยนะัยเยเมื่อเช้าหรือเมื่อวานก็ยังคุยกันอยู่เลยว่าพระพุทธเจ้าไม่น่าสงสารหรอก เพราะพระองค์สุขโตไปดีแล้วพระธรรมก็ไม่น่าเห็นใจเพราะมรรคผลนิพพานเป็นธรรมที่ประเสริฐคำสอนที่ชี้มรรคผลนิพพานก็เป็นคำสอนที่บริบูรณ์อยู่แล้วหมระอริยะทั้งหลายนับตั้งแต่พระโสดาบันเป็นต้นนะท่านเหล่านั้นก็ไปดีแล้วอย่างมากท่านกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกแค่เจ็ดชาติถ้าเป็นพระหารเป็นต้นท่านก็พ้นทุกข์แล้วแต่ผู้ที่ว่ายากทั้งหลาย ก็ให้เป็นไร้ายก็เฝ้าขันท่าต่อไปเนี่ยนะก็เลี้ยงขันท่าต่อไปบริหารมหาพูดต่อไปก็แล้วกันมันอนิสงส์ก็คือจะเลี้ยงมหาพูดตลอดไปเนี่ยนะว่ายากก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแต่ทีนี้ว่านับว่าไม่ง่ายนะผู้ที่ว่าว่าง่ายจริงๆนะพระองค์ตรัสว่าเป็นรัตนาที่หาได้ยากนะรัตนาที่หาได้ยากมีอยู่ห้าประการหนึ่งพระตถาคตเกิดขึ้นมาในโลกก็เป็นของที่ ยากหายากมากสองผู้ที่กล่าวธรรมวินัยของพระตถาคตก็หายากผู้ที่ฟังธรรมแล้วก็เข้าใจในธรรมะเหล่านั้นก็หายากกล่าวแล้วนะเข้าใจตามนั้นก็เรียกว่าหายากเป็นรัตนะเหมือนกันผู้ที่ฟังแล้วก็เอาไปปฏิบัติตามนั้นแล้วบรรลุมรรคผลก็หายากอันนี้คือเรื่องนี้เรียกว่าเป็นรัตนะเนี่ยนะพันธะที่สําคัญก็การตั้งความปรารถนาเพื่อให้ศึกษาแล้วก็ปฏิบัติตามอันนี้เป็น เป็นสิ่งที่ควรทำออข้อสุดท้ายนะกรกตันยูกแต่เวทีบุคคลก็หายากท่านการศึกษาและการปฏิบัติธรรมเนี่ยส่วนที่สำคัญก็คือการตั้งความปรารถนาการตั้งอัตตะสัมมาปณิธิพันโบราณเขาจึงพาเราตั้งความปรารถนาหลายๆเรื่องนี่ดีถ้ายิ่งบทสวดมนต์เย็นนะถ้าใครเรียกว่าสันเลโควิรยามินาเนี่ยนะก็มีพวกคาเหล่านี้ขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ที่ มักน้อยเป็นผู้ที่สันโดษเป็นผู้ขัดเกลาเป็นผู้ปรารบความเพียนเป็นต้นเนี่ยนะเขาให้ตั้งความปรารถนาเลยนะอิมินาปุญญกรรมเมนะอุมินาอุเทเสนะจ่ะเนี่ยนะเป็นต้นเนี่ยมันจะมีบทคําที่แสดงให้ตั้งความปรารถนาเอาไว้ให้ดีว่าเราจะเป็นผู้ว่าง่ายเราจะเป็นผู้ขันโดดเป็นผู้ขัดเกลาเป็นผู้ปรารบความเพียนเป็นผู้ที่เจริญงอกงามในพระศาสนาเป็นต้นเนี่ยแต่ละคนเขาตั้งความปรารถนากันทั้งนั้นเลย พระราหุูนี่ตั้งความปรารถนาตื่นเช้ามาท่านกอบทรายเลยนะขอให้ได้รับให้ได้รับโอวาจากพระพุทธเจ้าจากพระอุปชาเป็นต้นเนี่ยเหมือนกับทรายที่กอบเนี่ยเท่าเม็ดทรายเป็นต้นเพราะท่านตั้งความปรารถนาเพื่อที่จะได้เจริญงอกงามในคําสอนถ้าเราตั้งความปรารถนาในลักษณะนั้นนะเราก็จะเป็นผู้ที่ไม่ว่ายากแต่ขณะเดียวกันเนี่ยกำลังของเราด้วยเราก็ต้องรู้กําลังของเราด้วยอ่นะ ซึ่งถ้ากำลังคือปัญญินีเราอ่อนเราจะไปทำยังไงได้เนี่ยมันก็ทำได้เท่านั้นจริงๆเพราะฉนั้นถ้าเราไปเร่งกว่านั้นทำไงอินีห้านะจะต้องไม่ลืมว่าเพียนเกินไปอะไรฟุ้งซ่านขี้เกียจนะสมาธิมากไปเกียดคร้านศรัทธามากไปงมงายปัญญามากไปพี่โกง สติก็แล้วกันนนะจำคำสอนเอาไว้ให้ดีแอะอะไรเป็นอะไรก็ตั้งโยนิโสมนสัสการเอาไว้ให้ดีๆ